ใครที่เดินผ่านเดินข้ามสะพานนะที่มันทอดนะข้ามสะเนี่ยเราจะสังเกตแล้วมีเห็นมีหมาอยู่สองตัวนะเลื่อยอยู่ที่นั่นเป็นประจำเลยนะชื่อหมูมูกับเจ้าขาวหรือบางทีก็เรียกว่าเจ้าเตี้ยนเป็นเกลือกันเช้าๆนะหรือว่า แดดร่มลมตกหรือว่าเวลาใบใบนะที่ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่รก็จะมานอนนอนทอดอารมณ์ชมวิวถือทักดูแลเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความสุขมากถ้าได้กินอาหารพอกินอาหารแล้วก็จะมานอนเล่น ทั้งวันเนี่ยก็จะอยู่ตรงแถวๆนั้นล่ะบนสะพานนะเหมือนกับว่าชีวิตนี้ก็พอใจแล้วนะไม่ต้องมีอะไรมากกว่า น, นี้ฉันก็มีความสุขแล้วนะมีอาหารกินนะมีเพื่อนนะมีวิวทิวทัให้ชมนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว หมอในง่นี้นี่ก็เป็นเป็นครูสอนเราได้มากเลยนะในเรื่องของการที่มีความสุขกับชีวิตที่ง่ายๆนะถ้าพูดในเรื่องของการเสรการบริโภคแล้วเนี่ยหมาสองตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากโลกมีกินมีที่พัก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 คนเรายังมีคุณค่ามากกว่านั้นนะก็คือการกระทำสิ่งที่มีประโยชนนะ์อันนี้เนี่ยมนุษย์เราเหนือกัตว์นะสัตว์นี่มันได้อาหารนะได้ที่พักมีอาณาเขตบริเวณของมันมันก็มีความสุขละไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นแต่ว่าคนเราเนี่ยนะ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 เพืที่จะฟื้นฟูพื้ น, นที่เสียขียวให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็คือคุณค่าอย่างหนึ่งนะ ท, ที่มันเติมความหมายความเป็นมนุษย์ให้กับเราอันนี้เนี่ยมนุษย์เราดีกว่าสัตว์มากแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการบริโภคการเสพแล้วนี่สัตว์นี่มันก็เป็นครูให้กับเราได้ก็คือการที่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจาก ชีวิตมากนะแค่มีอาหารอิ่มท้องนะหรือว่ามี อ, าอนาบริเวณมันก็มีความสุขสาระเชนนี้เป็นแบบอย่างนะของการไม่สะสมการอยู่ง่ายซึ่งพระเจ้าก็แนะนำให้ดูเป็นแบบอย่างเช่นกนกเนี่ยนกมันมีแค่ปีกสองข้าง มันออกหาอาหารพอมันอิ่นแล้วมันก็พอแล้วมันก็ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอะไรมากมีแค่ปีกสองข้างหรือว่าผีเสื้อเนี่ยนะผีเสือ้อผู้เจ้านะแนะนำนะให้พระเนี่ยดูผีเสื้อเป็นแบบจางผีเสื้อเนี่ยมันดูดน้ำดูดน้ำหวานจากดอกไม้ มันอยู่ได้เพราะดอกไม้และมันก็ต้องการน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่เคยทำให้ดอกไม้เนี่ยบอบช้ำหรือว่าเสียสีเลยดอกไม้ก็ยังนะยังสวยยังสมบูรณ์เหมือนเดิมมีน้าซ้ำเนี่ยก็ยังช่วยดอกไม้ด้วยนะพึ่งเนี่ยช่วยผสมเกสรเป็นการตอบแทน อันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะที่สอนพระและที่จริงก็สอนมนุษย์ทั้งหลายเด้อว่าเมื่อเราเนี่ยต้องพึ่งพาใครก็ตามเช่นพระเนี่ยก็ต้องพึ่งพาคาววะก็อย่าไปรบกวนเขานะพึ่งพาพอสมควรนะโดยที่ไม่ทำให้เขาเดือดร้อนแต่ว่าแบบอย่างนี้มันใช้ได้กับมนุษย์ทั้งหลายนะเวลาเราพึ่งพา ในเมื่อเราต้องพึ่งพาธรรมชาติเนี่ยปัจจัยสี่ของเรานะที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีตเราก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นแหละเช่นป่าลำห้วยลำทานนะพื้นดินเราก็ควรจะดูแลรักษานะไม่ให้เขาเดือดร้อนหรือว่าทำลายธรรมชาติให้มันเสื่อมโทลงไป แต่ทุกวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเอาเปรียบธรรมชาติมากไม่ได้รู้เลยว่าเราเนี่ยพึ่งพาธรรมชาติแค่ไห น, เ, นเสร็จแล้วไอ้การที่เราเบียดเบียนจนกระทั่งทําลายธรรมชาติเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนย้อนกลับมาที่เราทํำให้คุณภาพฟิตของคนเราเนี่้าใ บ, บก็จะแย่ลง เรากำลังเจอภัยธรรมชาติที่คุกคามในหลายรูปแบบหลายลักษณะไม่ใช่แค่น้ำท่วมฝนแรงโรคระบาดแต่มาจจะรวมถึงการ เ, าเจอกับปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงจนกระทั่งอาจต้อง อ, อพยพโยกย้ายกัน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 แต่ถ้าเรามาพิจารณาดูเนี่ยอะไรเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขทั้งที่เราก็มีเยอะแยะไปหมดนะเด็กเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้ก็มีความสุขได้ยากนะนะตอนเล็กๆ ก, ก็อยากได้ของเล่นพอได้ของเล่นมาแล้วนะก็อยากได้อีกนะไอ้ที่มีก็ทิ้งเบือ่อนะจากเลโก้นะมันก็ต่อมาเป็นเกมออนไลน์นะ มีเครื่องเล่นเกมออนไลน์เพลย์สเตชันแล้วก็ยังไม่มีความสุขก็ยังไม่พอใจนะมีเครื่องดนตรีจนะเรียกร้องเอาเครื่องดนตรีกีตา้ามีแล้วก็ยังเรียกร้องอีกนะอยากจะได้เครื่องกีฬานะราคาแพงได้เครื่องกีฬามันแล้วก็ขอเอานะอคอมพิวเตอรนะ์ได้คอมพิวเตอร์มาก็ดีใจ แต่ว่าดีใจไม่นานนะอยากได้อย่างอื่นอีกเช่นกล้องและต่หลังก็โทรศัพทนะ์ก็ไม่พอใจสักทนะีอันนี้เป็นเพราะอะไรนะถ้าจะเอาไปลาเนี่ยคนเราทุกวันนี้เนี่ยความทั้งที่เรามีมากมายนะเรามีเยอะแยะไปหมดแต่เราก็ยังไม่มีความสุขนะอจจะเรียกว่าไม่รู้จักพอก็ได้และความไม่รู้จักพอเนี่ยส่วนก็เกิดจากความคิดนะ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 ยังมีอะไรต้องเยอะลุง ก, ก็ถามวหาทําไมนางสาวเกศก็ตอบว่จะได้เงินไงมีเงินเยอะมีเงินเอาไปทําไมก็จะได้ไปซื้ อ, อเครื่องยนต์นะให้มันมีแรงมากขึ้นจะได้นะสามารถจะไปหาปลาในทะเลที่ลึกที่ไกลถ้าทําไปทําไมลุงถามก็ได้มีเงินเยอะขึ้นไงมีเงินเยอะไปทําไมแล้วก็ไดม้มีเรือหลายลํานะ มีเรือหอลายลำไปทำไมก็ได้มีเงินเยอะๆมากกว่าเดิมเอาเงินไปทำไมนะก็ทำให้มีเรือเดินสมุทรนะไปหาปราณที่มันไกลออกไปเลยไม่ใช่แค่อาไทยนะโน่นเลยนะไปไกลเอาไปทาไมนะเงินนะก็ได้มีความสุขไงหลุงก็เลยตอบว่าก็ฉันมีความสุขยอย่างไงตอนนี้นะความสุขเป็นเรื่องง่ายนะกะ็ทำ ไปหาปลามาได้เสร็จนะก็นั่งนั่งชมธรรมชาตนะิอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่มันหาได้ง่ายๆอิ่มท้องแล้วนะก็ชื่นชมธรรมชาติไปแต่ว่าคนสมัยใหม่เนะี่ยเราทาความทำให้ความสุขเป็นเรื่องยากนะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนมากขึ้นอันนี้เพราะความคิดของมนุษย์เรานะที่มันคิดซับคิดซ้อน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 เราบำบัดความทุกข์ได้ก็เพราะสายความคิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความคิดโดยเฉพาะถ้าเราคิดไม่ถูกคิดไม่เป็นนะมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ได้ง่ายทั้งๆที่เราก็มีทุกอย่างในชีวิตแต่เราก็ไม่มีความสุขพราะอะไเพราะว่าเราเห็นคนหนึ่งเขามีมากกว่าเราพอะเห็นคนหนึ่งเขามีมากกว่าเรานะเราก็อยากได้ไอ้ที่มีอยู่มันกลายเป็นไม่มีค่าไปแล้ว ถ้าเรามีความทุกข์ได้ง่ายนะีไม่ว่าเราจะได้อะไรมาเนี่ยไอ้สิ่งที่เราได้มามันไม่ทําให้เรามีความสุขแท้จริงได้โบนัสมาห้าแสนนะมีความสุขดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาได้หกแสนหรือห้าแสนห้าแค่นี้เราก็เป็นทุกข์ละนะไม่พอใจล้วนะไปมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเคยไปเล่าว่าเนี่ยไป ไปซื้อไปซื้อไปแทงหวยนะสามตัวแกก็แทงไปสิบห้าบาทบอกก็ว่าถูกนะแกก็ดีใจนะได้มาหกร้อยก็ไปอวดใครต่อใครนะว่านะถูกหวยแต่พอไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเขาแทงห้าสิบเขาก็เลยได้สองพัน ตัวเองได้หกร้อยแต่เพื่อนได้สองพันแค่รู้เท่านั้นนะไอ้ที่เคยยิ้มนี่นก็หยวเลยเราทุกข์าะเปรียบเทียบนะี <c oughs> ลองดูนะไม่ว่าแม้เราจะเจอโชคอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเรามองไม่เป็นหรือว่าเราคิดไม่ถูกนะมันทุกข์นะไปซื้อของไปเที่ยวนะเชียงใหม่นะตลาดคนเดินหรื อ, อตลาดที่ขายของกลางคืน นะเจอย่ามชาวเขาห้าร้อยบาทเราต่อมาได้สามร้อยเราดีใจนะกลับไปโรงแรมนะจะไปอวดเพื่อนว่าเนี่ยฉันซื้อมาได้สามร้อยปรกากฏเพื่อนบอกว่า เ, เอาย่ามจากร้านเดียวกันมาให้ดูนะลายก็คล้ายๆกันก็อบอกว่าเนี่ยเขาต่อได้สองร้อยตัวเองต่อได้สามร้อยแต่เพื่อนได้สนะองร้อยพอลูกแค่นี้นี่โมโหเลยนะ ทุกเลยทั้งที่ก็น่าจะดีใจนะเออห้าร้อยราคาติดเอาไว้เราได้สามร้อยแต่พอเองเขาเขาจ่ายน้อยกว่าเราเนี่ยทุกข์แล้วอันนี้ก็เรียกว่านะคิดไม่เป็นนะไอ้ความคิดหรือวิธีการมองไม่เป็นแบบนี้แนหะมันทําให้คนเราเนี่ยทุกข์ง่ายไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ทุกนะมีร้อยล้านมีพันล้านนะ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 แต่ถ้าเราคิดให้เป็นคิดให้ถูกนะโอ้เราก็น่าจะมีความสุขได้ง่ายนะขอบคุณนะที่วันนี้ฉันนะยังไม่เจ็บไม่ป่วยขอบคุณนะที่วันนี้นะฉันยังมีคนรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่ า, าลูกหลานนะอยู่กับฉันขอบคุณนะที่ฉันยังมีตามองเห็นขอบคุณนะที่ฉันยังมีหูที่ได้ยินนะฉันยังมีร่างกายที่เดินเดินไปไหนมาไหนได้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 จนกรทเมเขาป่วยนะต้องเข้าห้องไอซแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหายใจแต่ละทีมันทรมานเหลือเกินถึงตอนนั้นเราจึงรู้ว่าโอการที่ตอนที่เราสุขภาพดีมีลมหายใจหายใจได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุขแล้วนะตอนที่แก่จนกระทั่งอนะจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยหลายคนนะ่ะยืนกลางที่จะเดินให้ได้นะ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 รถยนต์มันจะเป็นบ้านตำแหน่งสถานภาพนะคนเราทุกวันนี้ทุกเพราะสิ่งที่ยังไม่มีใจไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีนะถ้าคนเราย้อนกลับมาหันมาชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยจะพ่ความสุขมันง่ายเพียงแค่ชื่นชมสิ่งที่เรามีเนี่ยเราก็จะมีความสุขได้ง่ายมากนะแต่เป็นเพราะเราเนี่ยนะมองไม่เป็น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 กีฬาเป็นกีฬาใหม่นะเรียกว่าคาราเต้โดโนะคาราเต้โดโยูโดกับโคาราเต้นะ<ด>เธอเนี่ยนะหมายมั่นนะที่จะเอาเหรียญทองให้กับประเทศไทยในการแข่งในกีฬาสีเกมให้ได้ดเหรียญทองนี่สำคัญมากเพราะมันเป็นมันจะเป็นเหรียญแรกของประเทศ<ด>ในกีฬาชนิดนี้ นะแกก็ตั้งใจฝึกฝนอย่างดีแล้วก็โชคดีนะมีพ่อมีพ่อเนี่ยที่เป็นโค้ดส่วนตัวนะช่วยฝึกให้เธอนะเธอก็เขี้ยวเขยนตัว่องอย่า ง, อ ย, างอย่างมากทีเดียวนะพ่อก็ช่วยอย่างเต็มที่นะพอมุ่งมั่นมาเนี่ยจะต้องคว้าเหรียญทองมาให้กับตัวเองแล้วก็ประเทศชาติได้เสร็จแล้วนะ ในสุดก็ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์นะตอนนั้นฟิลิปปิน์เป็นเจ้าภาพนะซีเกมถ้าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ได้เหรียญทองนะสมกับที่ได้ตั้งใจเอาไว้ดีใจมากมีความสุขมากบรรลุถึงความไฝ่ฝันในชีวิตนะเป็นเหรียญทองแห่งเหรียญแรกในประเทศนะในกีฬาชนิดนีก้ก็มีการเลี้ยงฉลองกันนะตอนเย็น พอฉลองกันเสร็จนะโค้ดถีมชาติก็มาบอกกับเธอว่ามีข่าวร้วจะแจ้งนะพ่อเธอเสียชีวิตแล้วเมื่อสองวันก่อนแต่ไม่ได้แจ้งให้เธอทราบเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะไม่มีกำลังใจนะเล่นคาราเต้โดโค้ดก็เห็นว่าเนี่ยนี่คือความฝันในชีวิตเธอก็ไม่อยากให้ความฝันมาหลุดลอยไปพอเธอรู้พ่อเสียชีวิตนี่เธอร้องไห้โฮเลยนะ แล้วก็พูดกันมาว่าเนี่ยไอ้เหรียญทองนี่ฉันไม่เอาละขอพ่อคืนมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเธอเพิ่งรู้ว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มีค่าสําหรับเชี่งเธอมันไม่ใช่เหรียญทองมันคือพ่อแต่ตอนนั้นไม่เห็นก่อนนั้นน่าไม่เห็นแต่คิดว่าเนี่ยชีวิตนี้จะต้องให้ได้เหรียญทองให้ได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันจะทุกข์มากเลยถึงตอนนั้นเธอจึงรู้ว่าถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองนะ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 นะมันมีสองช่วงเท่านั้นแหะที่คนเรามักจะเห็นค่าของสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสะ ส, สงของก็คือตอนที่ยังไม่ได้มันกับตอนที่เสียมันไปนะแต่ตอนที่มันยังมีอยู่กับเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่พ่อหอะไรเพราะนึก่าเป็นของตายนะหรือเพราะคิดว่ามันยังไม่พออยากได้อีกไอนะคนเราจริงๆเนี่ยความสุขมันง่าย ความสุขใจของเราเนี่ยมันหาได้ง่ายเลยเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยความสุขกายเนี่ยมันกลายเป็นสิทธิพื้นฐานของเราไปแล้วนะเราเกิดมาเนี่ยนะมันก็มีความสดกสบายทางวัตถุนะมากมายเลยเพราะจะเป็นคนชั้นกลางนะไม่ใช่เป็นพวกาชาว บ, บ้านที่ยากจนเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเล็กจนโตก็มีความสุขกายแต่แต่เ พ, เพราะความคิดที่ซับซ้อนนะมองไม่ถูกวางใจไม่เป็นเนี่ย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 หนักว่าสิ่งที่ต้องทําให้มากกว่า น, นั้นก็คือการที่เราฝึกจิตฝึกใจเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเวลาที่ไอความสุขเรานั้นมันหายไปเพราะมันไม่เที่ยงเนะพราะวัยที่แก่ชราเพราะว่าสิ่งที่มีต้องพัดพรากไปถึงเวลาที่มาพัดพรากไปถึงเวลาที่เจ็บปว่วดถึงเวลาที่สูญเสียเราก็ยังรักษาใจให้เป็นสุขอยู่ได้นะและนี่แหละนะคือ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 แต่เราตระหนักว่าม้สุขที่นี้ก็ประมาทไม่ได้เพราะนั้นก็เตรียมใจเพื่ อ, อจะจะรับกับความเปลี่ยนแปลงแล้วถึงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปก็ยังสุดอยู่ได้เอาเราคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้ครับ